m mm -hmm. เป็นวันสำคัญของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายวันวิสาขบูชาเป็นวันที่มีความหมายสำหรับชาพุทธไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธในเมืองไทยนะชาวพุทธทั้งโลกยเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ระลึกนึกถึงเหตุการณ์สำคัญนะซึ่งทําให้เกิดมีพระพุทธศาสนาขึ้นมาในโลกนี้ เป็นวันที่ทำให้เราเลิกนึกถึงพระพุทธองค์เหตุการณ์สำคัญของพระองค์นะก็คือประสูตตัสลุและปริมิตรพานบางคนก็เรียกว่าวิสาขาบูชาเป็นวันพระพุทธส่วนมาฆบูชาก็เป็นวันพระธรรมวันอาชาระบูชาก็วันพระสงฆ์อันนี้ก็เป็นการ เรียกเพื่อให้เข้าใจง่ายแต่ที่จริงแล้ว<ม>ก็แยกไม่ออกนะระหว่างพระพุทปธรรมพระสงค์พระวันมาค้าบูชาก็เป็นวันที่มีพระสงฆ์คือพระอาหารหันต์หนึ่งพันสองร้อสิบลูกมาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญด้วยส่วนวันอาสารบูชาก็เป็นวันที่พูะเจ้าแสดงพระธรรมเทศนา แล้กนไปสู่การที่มีพระภิกษุพระภิกษุสงฆ์เป็นครั้งแรกเรียกว่ามีพระตนะตรัยครกที่สำหรับวันวิสาขาบูชาเป็นเครื่องระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธเจ้าประสูตตัสรุ ป, ปริลิพานหลายคนก็อาจจะ ตั้งคำถามว่ามันช่างเป็นความบังเอิญนะสเสียเกินนะที่พระองค์ประสูติรู้และปริยิพานนะในวันเพ็ญเดือนหกนะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของปฏิหารก็ได้แต่ถ้าหมอยดีมันก็เป็นปริศนาธรรมนะเป็นปริศนาธรรมให้เราได้พิจารณาถึงนัยยะความหมายการที่ พระเจ้านะประสูตรแล้วก็ตัสรุและวรนะรฏิบัติในวันเพ็ญเดือนหกเหมือนกันเนี่ยอาจจะมีความหมายนะที่ทําให้เราลึกถึงความเป็นจริงที่สําคัญอย่างหนึ่งของขมนุษยนะ์ก็คือว่าเมื่อเราเกิดมาเราก็ต้องตายการประสูตรและการปริพัาิของพรนะุทธเจ้า เป็นเครื่องสะท้อนถึงสัจธรรมความจริงที่มนุษย์ทุกคนนะต้องประสบนะก็คือเมื่อเกิดแล้วก็ต้องตายไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนยิ่งใหญ่เก่งใดแม้จะเป็นอภิมนุษย์มหาบุรุษนะอย่างพุทธเจ้าก็ก็หนีไม่พ้นนะ่ะสัจธรรมความจริงนี้อันนี้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็ให้เราย้อนมาที่ตัวเรานะว่าสักวันหนึ่ง เราซึ่งได้เกิดมาในโลกนี้แล้วก็ต้องตายในที่สุดให้ความจริงอันนี้บางทีเราก็เรียกว่าคือทุกข์ขัดทุกข์ขัดนะสว่วนบนธรรมวชชามเนี่ยนะก็จะสวดข้อความนี้แหละว่าแม้การเกิดก็เป็นทุกข์นะแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์บนวิสาขบูชาความหมายหนึ่ง ก็คือให้เราตระหนักถึงความจริงที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนนั่นคือความทุกข์ซึ่งมีความตายเป็นที่สุดเป็นที่สุดนี่หมายว่าเป็นที่สุดของความทุกข์นะแต่ไม่ใช่ว่าจบกันที่ที่ความตายมันยังมีต่อไปจากนั้นนยังไม่จบง่ายๆนะเพราะชาวพูดเราเชื่อว่าถ้ายังมีกิเลสมีตัณหาอยู่ ตายไปแล้วก็ต้องมีเหตุให้ต้องไปเกิดแต่ไม่ใช่ตัวตนเดิมไปเกิดนะมันเป็นของใหม่นะเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่เมื่อเราปลูกมันโตขึ้นเป็นไม้ใหญ่เสร็จแล้วมันก็ออกดอกแล้วก็ออกผลและผลนั่นแหละในที่สุดมันก็ทาให้เกิดต้นใหม่ขึ้นมา ไอ้ต้นใหม่กับต้นเดิมเนี่ยมันคนละต้นนะแต่มันเกี่ยวกันเกี่ยวเนื่องกันอถ้าต้นเดิมมันเป็นต้นที่แคร์กันไอ้ต้นใหม่ก็คงจะหนีไม่พ้นแหละแคร์กันแต่ให้รู้ว่ามันคนละต้นแต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันะที่มันเกิดเป็นต้นใหม่เพราะมันยังมีเม็ดแล้วเม็ดมันก็ยังมีเชื้อหรือว่ามันยังมียางมันก็ไปเกิดใหม่อจิตของมนุษย์ก็เหมือนกันนะ ก็ไม่ตายจากต้นไม้ที่มันตายไปก็จริงแต่ว่าต้นหม่ที่เกิดขึ้นมันอยู่ในวิสัยที่จะเกิดขึ้นได้ถ้ามันยัมีเม็ดนะที่จะงอกใหม่ขึ้นมาแต่เรื่องนี้ก็คงจะไม่ต้องพูดกันมากนะเอาเป็นว่าความหมายหนึ่งของวิสาขาบูชาคือว่าสะท้อนถึงความจริงหรือสัจธรรมที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบก็คือทุก อันนี้ฟังดูว่าเป็นข่าวร้ายนะเป็นข่าวร้ายแต่ข่าวเดียก็คือว่าเราสามารถจะออกจากทุกข์ได้ออกจากวังวนแห่งความทุกข์ได้ดละนี้แหละคือความหมายอีกด้านหนึ่งของวิสาขบูชาการที่พระเจ้านะได้ตัดสรุปขึ้นมาการตัดสรุปเนี่ยเกิดผลอะไรขึ้นมาก็คือ ความพ้นทุกข์เพราะรู้ว่าทุกข์เพราะอะไรนะสัจธรรมความจริงเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ว่าทุกข์ทุกข์ทุกข์ทกเท่านั้นมันยังมีอีกแง่หนึ่งของความจริงคือว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรนะมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาบางับางเอิญเกิดขึ้นมาเองแต่มันมีเหตุและเหตุนั้นเนี่ยนะมันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนนะอยู่ในใจเรา นั่นก็คื อ, อตัณหาอุปาทานหรือว่ากิเลสอวิชชาที่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะอุปาทานหรือว่าละกิเลสได้เหตุแห่งทุกข์มันก็จบเหมือนกับต้นไม้ที่มันถูกตัดรากออกมันก็ไม่งอกอีกต่อไปก็เป็นอันจบอนทุกข์เป็นอิสระนะ เป็นอิสระจากความทุกข์แล้วก็รวมถ้าเป็นอิสระจากสิ่งต่างๆที่เคยทำให้เราเป็นทุกข์นะทุกกายยังมีอยู่นะยังต้องยังต้องตายยังต้องแก่ยังต้องเจ็บนะแต่ว่าทุกใจเนี่ยมันไม่เหลือหลอแล้วนะความโศกความร่ำรายรำพันความไม่สบายใจความขับแค้นใจที่เคยเกิดขึ้นนะ กับพวกเราและตามติดพวกเราไปจนกว่าจะตายเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นอิสระจากมันได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าผู้เจ้าเนี่ยทรงเป็นแบบอยา่างและผู้เจ้าจะทรงเป็นมหาบุรุษนะแต่ว่าก็มีความเป็นมนุษย์เหมือนกับเราก่อนที่จะตัดสรูสิ <Yeah. S 1> ่งที่ผู้เจ้าทําได้มนุษย์ปุตุชนก็ทําได้เหมือนกัน ถ้าพัฒนาตนนะอาจจะไม่ได้ทำได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเรื่องของความพ้นทุกข์แล้วนะเราทุกคนสามารถทำได้เพราะว่าพระพุองค์ก็เคยเป็นปุถุชนเหมือนอย่างเราอันนี้เป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีว่าหนทางพ้นทุกข์นั้นเนี่ยมันมีอยู่และพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ คนพบและล่วงหน้าไปก่อนพระองค์เคยตรัสพระองค์เนี่ยเปรียบเสมือนกับพี่นะเป็นพี่เป็นพี่ชายคนโตหรือเป็นพี่คนโตเป็นพี่คนโตอะไรเขาว่ า, าพ้นทุกข์ก่อนไม่ใช่คนพ้นทุกข์คนเดียวเราจะน่าก็มีคนอื่นตามมาเช่นพระอัญญโกธัญญะนะ บรรจวขีทั้งหลายนี้ก็ก็ตามตามพระเจ้าไปสู่ความพ้นทุกข์สู่ความอิสระการตัดสรุรพระเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นการประกาศอิสรภาพของมนุษย์นะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยมนุษย์เรายัางต้องพึ่งพาเทวดานะเทือพึ่งพาพระเจ้าคนสมัยก่อนเนี่ยจะทําอะไร ก, ก็ต้องบนบานสารกล่าว แต่ทำ <imir> ส <pic> <ata> ุขสงครามก็ต <down> ja <concentrate> um ้องมีการบูชายันต้องมีการอ้อนวอนเทวดาสมัยก่อนคนก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยถูกลิขิตไปแล้วโดยพระพรหมจิงเลือกพรหมลิขิตเพราะฉะนั้นก็ต้องถ้าอยากจะให้ชิดเจริญก็น้าก็ต้องอ้อนวอนพระพรหมขอให้ลิขิตใหม่มนุษย์เราเนี่ยตกเป็นทาาของเทวดาน หรือว่าพระพรหมพระเจ้าที่มนุษย์เราเนอาจจะสร้างขึ้นมาด้วยแต่การที่พระเจ้าตรตสรู้เนี่ยก็ทําให้พระองค์เนี่ยเป็นเลิอดเหนือเทวดามารพรหมเรียกว่าเป็นศรัทธาเทวดมนุษยสารนั่งเป็นครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจากคนที่ต้องคอยรับฟังบัญชาหรือว่าเดินตามลิขิตที่พระพรห์ได้ เดินเดินตามทางที่พระพมได้ลิขิตเอาไวนะ้ตอนนี้นะทรงเป็น อ, อิสระแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าเทวดามานพรทั้งปวงเพราะว่าได้เข้าถึงความหลุดพ้นแล้วนะพ้นจากวัฏสงสารแม้แต่เทวดามานพรก็ยังอยู่ภายในวัฏสงสารยังไม่ได้พ้นจากทะเลแห่งวัฏสงสารพระพรหมก็เช่นเดียวกันนะ ในนี้พระสาัศาสาว่ก็เหมือนกันเมื่อได้ปฏิบัติตามพระองค์จนพ้นทุกข์ก็เป็นอิสระนะไม่ต้องพึ่งพาเทวดามารพรมแล้วที่จริงแม้กระทั่งเป็นอาเรียบุคคลชั้นต้นเช่นพระโสดาบันอย่างพระอย่างอนาถปิติกาศเศรษฐีเนี่ยท่านเป็นโสดาบันถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้ ไม่ได้งอนงอ้อนะไม่ได้วิงวอรนร้องขอเทวดาเทวดามาสั่งให้ท่านทํานั่นทํานี่ท่านไม่ทํามาสั่งให้ท่านเนี่ยเลิกคารพุทธเจ้าท่านก็ปฏิเสธแถมไล่เทวดาไปซะอีกน ะ, น, ะนะเทวดานี่ถูกอนาถิพิท่กษ์ไล่นะออกจากบ้านเพราะว่าสอนผิดนะเป็นมิจฉาทิฐิ สุดท้ายเทวดาก็ต้องมาขอโทษนะว่าผิดไปแล้วนะยอมนะยอมมาอยู่ในโอวาทของอนาฏปิทิกะเศรษฐีซึ่งเป็นแค่มนุษย์นะไม่ได้มีฤทธิ์เดชอะไรแต่สิ่งที่ท่านมีก็คือว่ามีญาณ น, นะมีญาณปัญญาแล้วก็ลดกิเลสอวิชชาไปได้เยอะแล้วนะโสดาบัน ว่าเนี่ยเวลาเราพิจารณาระลึกถึงวันวิสาขาบูชาก็ให้ให้ระลึกนะว่าแม้คนเราเนี่ยจะต้องอยู่ในวงวนแห่งความทุกข์แต่เราสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้และควรด้วยนะและควรที่จะบำเพ็ญเพียร เ, เพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเรามาระลึกถึงวันวิสาขาบูชามาสวดมน มาเวียนเทียนแล้วก็หวังเพียงแค่ว่าขอให้มีความสุขความเจริญมีอายุวันนสุขภะพละอันนี้ยังถือว่ายังไม่เข้าใจสาระของวันวิสาขาบูชายังไม่เข้าใจมากระทบพุทธเจ้าเนี่ยทรงมาเป็นเพียงเพื่ออะไระนันถ้าเราเข้าใจความหมายนะของวันวิสาขาบูชาเนี่ยเราก็จะมีจิตมุ่งมั่นนะที่จะ บำเพ็ญเพียรเพื่อการพ้นทุกข์เพราะเราเห็นว่าชีวิตนี้เนี่ยมันเต็มไปได้วยทุกข์แล้วถ้าเราปล่อยชีวิตเป็นอย่างที่เคยเป็นนะปล่ยอยชีวิตไปตามกระแสทําอย่างที่คนอื่นทําตามกระแสสังคมเนี่ยมันก็จะหนีทุกข์ไม่พ้นแม้จะประสบความสําเร็จในชีวิตในอาชีพการงานก็ตามพอถึงสุดท้ายนะก็ต้องแก่ต้องเจ็บ ประสบความสำเร็จแค่ไหนนะพอเป็นมะเร็งนะพอเป็นโรคหัวใจหรือว่าเป็นอมัอมาพาตเนี่ยไอสิ่งที่ได้ทำมาความสำเร็จที่ประสบมามันแทบจะไม่มีความหมายเลยเ <c oughs> พราะมันช่วยทำให้พ้นทุกข์ไม่ได้พ้นทุกข น, นี้ที่คือความทุกข์ใจนะที่มันพ้นไม่ได้เพราะว่าไอความทุกข์ใจเนี่ย จชนโรคร้ายเนี่ยบางทีมันก็รักษาไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราได้ตระหนักว่าโอชีวิตนี่มันเต็มไปได้วยทุกข์นะแม้ตอนตอนนี้มีความสุขแม้ตอนนี้ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวแม้ตอนนี้ชีวิตยังอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่สักวันมันก็ต้องอยู่ในช่วงขาลงถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องนะพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญนะและสามารถที่จะลงได้อย่างมีความสุข แม้วันนี้ชนะแต่พรุ่งนี้ก็อาจจะแพ้นะถึงเวลาแพ้ก็ไม่ทุกข์นะเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองและการที่เราจะรู้เช่นนั้นได้นี่ยก็เกิดจากการที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติทำรรนะจนกระทั่งเราเห็นความจริงนะของชีวิตนะเมื่อเราได้รู้จักพุทธศาสนาแล้วก็พยายามใช้ประโยชน์จากพุทธศาสนาให้นะให้เกิดคุณค่าสูงสุดโดยเฉพาะ ใช้วุตศาสนาเนี่ยเมื่อเป็นเครื่องเสริมสร้างศั ก, กยภาพในตัวเราให้มันถึงที่สุดใช้ทรัพย์ที่เรามีนะให้เกิดประโยชน์เต็มที่ทรัพย์ที่ว่าเนี่ยคืออริยทรัพย์นะอริยทรัพย์มันอยู่กับเราทุกคนอุตตรจัตว่าเนี่ยอริยะโลกุตตรธรรมเป็นทรัพย์ประจําตัวของทุกคนอริยะก็ประเสริฐนะโลกุตตรธรรมคือว่าธรรม ที่นําไปสู่ความพ้นทุกข์นะอันนี้แปลงง่ายโลกุตระแปลว่าเหนือโลกเหนือโลกคือเหนือทุกข์นะเหนือโลกกับธรรมแปลหมายความว่าได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศหรือว่าสารสนินทาสุขทุกข์ก็ไม่ได้ทําให้ใจกระเพื่อมได้ก็ไม่ได้ยินดีเสียก็ไม่ยินร้ายนะอันนี้เราเป็นจิตที่อยู่เหนือโลกกับธรรม นเะมื่อเหนือเราก็ทํำก็คือเหนือทุกนั่นเองและสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในตัวเรานะพระเจ้าตาเป็นทรัพประจําตัวของทุกคนไม่ใช่มีแต่เฉชาวพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายนะเราก็มีอยู่ที่ว่าเราจะใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าบางคนยังไม่รู้เลยว่ามีได้ซ้ํำนะ ไม่คิดว่ามีได้ซ้ำแต่ว่าถ้าเรามาศึกษาพุทธศาสนาเราก็จะพบว่าโอ้จริงนะมันมีอยู่เอาง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลู ก, กุตฏรธรรมหรอกนะ้ําแค่ความสุขความสงบเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจเรานะมันไม่ต้องไปพึ่งพาสิ่งภายนอกความสงบก็ดีความสุขก็ดีเนี่ยผู้คนเนี่ยส่วนใหญ่ก็รู้แล้วแต่ไปหาจากข้างนอกอยากจะมีความสุขก็ต้องไปเที่ยวห้าง หรือว่าต้องไปช้อปปิ้งนะต้องมีโทรศัพท์ต้องมีเสื้อผ้าสวยๆต้องมีรถยนต์ต้องมีบ้านนะไปเชื่อความสุขมันอยู่ข้างหน้าหรือมันอยู่ข้างนอกนะความสงบก็เหมือนกันนะไปเชื่อมันต้องอยู่อยู่ในป่าหรือว่าคิดว่าต้องหาได้จากวัดนะหลายคนมาวัดป่าสุกโตเพื่อต้องการความสงบนะอันนี้ก็ยิ่งดีกว่าไปเที่ยวห้างนะหรือไปหาความสุขจาก ความแหล่งบันเทิงเริงรมแต่ว่าถ้าเรามาศึกษาตัวเราอย่างแท้จริงเราจะพบว่าไอความสุขก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละหาได้จากใจเรานี่แหละความสงบก็เช่นเดียวกันนะถ้าเราพบว่าถ้าเรารู้ว่านะความสุขอยู่ที่ใจเนี่ยเราก็จะสามารถเป็นสุขได้ทุกที่นะ เป็นสุขได้ในทุกความเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงแล้วก็สุขได้ถ้าราพอความสงบนะมันอยู่ที่ใจเราก็จะสงบได้ในทุกผลแห่งนะเมื่อมารู้จักพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็อย่าเพียงแต่ทำความดีหรือว่าทาบุญกุศลอย่างเดียวนะเมื่อพบพุทธศาสนาแล้วก็อย่าเพียงแต่ละชั่วยอย่างเดียว จรงอยู่นะการละชั่วหรือการไม่ทำชั่วเนี่ยมันสำคัญมากเลยแต่การทำดีสร้สางบุญสร้างกุศลก็สำคัญเช่นเดียวกันไม่งั้นภูจ้าไม่บอกแล้วว่าให้ละเว้นความชั่วให้ทำความดีแต่พระองค์ก็ยังสอนมากกว่ น, นั้นนะข้อที่สามคือว่าให้อชั่มระติของตนให้ขาวรอดชั่มระติของตนให้หายให้ให้ให้กิเลสมันเบาบางนะ ที่มันไม่เข่ารอบนะเพราะว่ากิเลสมันเกาะนั้นถ้ายังปล่อยให้กิเลสเกาะหรือว่าอุปท า, า, าอุปทานตนาอุปทานเนี่ยมันยังครอบงำจิตเนี่ยมันก็ยังทุกอยู่นะถึงแม้ว่าเราจะมานับถือพุทธศาสนานด้วยความเชื่อว่าจะทําให้พ้นทุกข์แต่เราเกี่ยวข้องของพุทธศาสนาไม่เป็นนับถือเพื่อเจ้าเพียงแค่เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เราอ้อนวอนขอพอรจากพระองค์แล้วเนี่ยเราจะประสบความสุขความเจริญอันนี้มันไม่พอนะมันต้องใช้คําสั่งคุ้เจ้าเนี่ยหรือแบบอย่างของพุทเจ้าเนี่ยมาเป็นมาเป็นหนทางมาเป็นแบบอย่างในการนะขูดในการขับนะเอากิเลสออกไปจักใจ นะพยายามทำให้อวิชาเครื่องเศร้าหมองที่มันครอบงาใจเนี่ยนะออกไปให้มากที่สุดความสุขที่แท้ไม่ได้เกิดจากการมีการได้นะหรือไม่ได้เกิดจากการเสพนะนะมีเงินทองมีทรัพย์สินมีชื่อเสียงมีเกียรติยศอันนั้นมันก็เป็นสุขแต่ว่าสุขชั่วคราวแล้วก็เจือไปได้วยทุกข์ มันมีสูตที่ประเสริฐกันนั้นสูตที่เกิดจากการละเกิด <Yeah. S 1> จากการละละอะไรก็ละกิเลสละตัณหาอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยทำกรวดน้ำตอนเย็นเนี่ย <Yeah. S 1> ด้วยบุญนี้ที่เราทำจงพันได้ซึ่งการตัดตัวตนอาอุปาทานสิ่งชั่วในดวงใจให้มาไหลสิ้นไปจากสันดาน <Yeah. S 1> อันนี้เป็ น, เ ป, นเป็นงานที่เราต้องทำนะ ถ้าเรามานับถือพุทธศาสนาเราก็ต้องไม่ลืมที่จะนําคำสอ่งพระองค์เนี่ยมาเพื่อที่จะตัดตัวตัณหาอุปาทานหรือว่าขัดหรือขูดกิเลสออกไปจับใจให้ตรงนี้เนี่ยต้องส่วนหนึ่งก็อาศัยการทำความดีการทำความดีเช่น ก, การให้ทานเนี่ยมันก็ช่วยลดความตันหนีได้ ถ้าเราให้ทานถูกความตนหนีก็จะลดลงความโลภ ก, ก็จะลดลงในความยึดติดในของกูของกูมันก็จะเบาบางลงนะในการรักษาศีลก็เหมือนกันนะถ้าเรารักษาศีลดีนะมันก็ช่วยกำจัดขอบเขตของโลภโทสะโมหะนะไม่ให้ขยายดินแดนมากินพื้นที่ในจิตใจของเรา ล้ว เ, เป็นการช่วยลดละกิเลสไปในตัวเพราะว่าความอยากมันมีนะแต่ว่าถ้าเรามีศีลเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ยับยั้งไม่ทำตามความอยากเมื่อเราไม่ทำตามความอยากเนี่ยก็เท่ากับว่ามันช่วยในการเอาชน ะ, นะกิเลส ต, ตัณหาถึงแม้จะยังไม่สามารถจะถอลถอนโคนมันได้ก็ตามที่จะถอนละถอนโคนไม่ได้ก็ต้องอาศัยภาวนา อาศัยภาวนาคือการมานะศึกษาดูกายดูใจของเรานะภาวนาเนี่ยบางทีเราก็เรียกทำสมาธนะิแต่พอพูดถึงสมาธิเราก็นึกถึงการทำความสงบไอ้ความสงบนั้นเนี่ยนะถ้าสงบเพราะว่าตาปิดนะหรือว่าหูไม่ได้ยินเพราะว่านั่งอยู่ในห้องแอร์หรือว่าอยู่ในป่ามันก็สงบนะ แต่ว่ามันสงบชั่วคราวพอตาเปิดหูได้ยินเสียงหรือว่าออกไปเจอผู้คนนะเจอคําพูดเจอการกระทําบางอย่างที่ไม่ถูกใจนะเจอแดดร้อนเจอรถติดความสงบก็ก็เจงกลายเป็นความขุ่นมัวเสร็จแล้วก็ไปโทษนะไปโทษคนโน้นคนนี้นะไปโทษดินฟ้าอากาศไปโทษอะไรต่ออะไรมากมาย ถ้าไม่ดูไม่มาดูดูใจตัวเองนะ่ะมันไม่เห็นหรอกนะว่าไอ้สายแห่งความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจเรานะรถติดเนี่ยนะมันไม่ทําให้ลงห ง, งุดหงิดหรอกนะถ้าเราเนี่ยไม่รีบจะไปให้ถึงไวๆหรือว่าถ้าเราไม่คิดอยากจะถ้าเราไม่คาดหวังว่ามันจะต้องถึงเร็วๆนะหรือถ้าเราเนี่ยไม่ได้กังวลถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยรถติดยังไงเนี่ยจิตมันก็ไม่ตกหรอกน เสียงดังนะมันไม่ทำให้เราโกรธไม่ทำให้เราโมโหนะถ้ามันเป็นเสียงของลูกนะเสียงของคนที่เรารักเนี่ยเออเรากลับเฉยเฉยหรือถ้ามัเป็นเสียงเพลงเนี่ยนะมันจะดังกี่เดซิเบลเราก็ไม่ได้หงุดหงิดเนะพราะอะไรเพรใจเราชอบไอ้ที่เราหงุดหงิดเพราใจเราไม่ชอบไม่ชอบเสียงนั้น ใจเราเป็นโรค ก, กับเสียงนั้นนะเราก็เลยเกิดโทสะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาสิ่งภายนอกเนี่ยเป็นเป็นแค่ปัจจัยเสริมปัจจัยรองไอ้ปัจจัยหลักเนี่ยมันอยู่ที่ใจเรามีความอยากหรือเปล่ามีความคาดหวังไหมได้ร้อยล้านเนี่ยแต่หวังพันล้านเนี่ยไอ้ร้อยล้านนีก่ก็กลายเป็นเป็นน้อยไปแล้วก็ทำให้เป็นทุกข์ที่ได้ แค่ร้อยล้านาเคยมีมีโยมคนหนึ่งนะเป็นอาส า, าสมัครรับโทรศัพท์ให้กับองค์กรหนึ่งซึ่งช่วยเหลือผู้ที่คิดฆ่าตัวตายคนที่คิดฆ่าตัวตายก็จะโทรมาที่นี่แหละ hotline mm hmm. เธอก็เล่าว่ามีคราวนึงก็มีนักธุรกิจใหญ่เนี่ยโทรม า, าที่รู้ก็เพราะว่า ฟังจากเรื่องราวที่เขาเล่าเนี่ยต้องเป็นนักธุรกิจใหญ่มากเลยถึงแม้จะไม่บอกชื่อปกติคนจะโทรมาคัดลน์เนี่ยนะก็เพราะว่ามีความทุกข์ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้แก่อกหักคนรักตายธุรกิจล้มเหลวเป็นหนี้ล้นคนตัวแต่นักธุรกิจคนนี้ไม่มีปัญหาเหล่านี้เลยคุยไปคุยมาวาเนียปีที่แล้วเนี่ยได้กำไรห้าพันล้าน ได้กำไรห้าพัน 5, ล้านนี่คิดค่าตัวตายนะอ้าวทำไมอ่ะปีก่อนนั้นได้กำไรหมื่ล้านห้าพันล้านนี่นะถ้าคาดหวังว่ามันต้องได้มากกว่า น, นั้นเนี่ยมันก็ทุกข์เลยได้แล้วก็ตามแต่ถ้าเราหวังว่ามันต้องมากกว่า น, นั้นเนี่ยเราทุกข์ทันทีเลยแล้วมันทุกข์เนี่ยมันเกิดที่ใจนะเกิดเพราะความอยากความคาดหวัง และสิ่งที่ได้มาสิ่งที่ประสบนั้นเนี่ยมันไม่ตรงกับความคาดหวังความอยากนะทุกทันทนะีคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เวลาทุกข์ใจก็มักจะโทษข้างนอกแต่ไม่ได้กลับมาดูใจของตัวเวลาเมืองเนี่ยนะถูกโจนผู้ร้ายศัตรูเนี่ยเข้าไปทำลายเผานะเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยคนก็มักจะไปโทษโจน แต่ก็ลืมมองไปว่าเอา้ามันเข้ามาได้ยังไงเป็นเพราะว่าทหารยามเราไม่เข้มแข็งนะไข่ป่าละเลยหรือว่าอ่ากินสินบอลหรือเปล่าถ้ากำแพงเมืองเราเข้มแข็งทหารยามเฝ้าประตูเมืองอย่างแน่นหนานะผู้ร้ายโจรสัตรูนเนี่ยเข้าไปเผาเมืองได้อย่างไรเวลาฝนตกนะแล้วก็ พื้นมันเฉิดชะเจิงนองไปด้วยน้ำเนี่ยหลายคนก็โทษฝนนะแต่ไม่ได้ถามว่าแล้วหลังคาเนี่ยถ้ามันรั่วถ้ามันไม่รั่วเนี่ยฝนจะเข้ามาไหมฝนตกหนักแค่ไหนถ้าหลังคามไม่รั่วเนี่ยพื้นมันไม่เจ็งนองหรอกใจเราก็เหมือนกันนะไอ้ความทุกข์เข้ามาได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าใจเราเนี่ยไม่มีการปกปัก นะรักษาให้ดีนะครับพระเจ้าเปรียบใจเนี่เหมือนกับนครนะถ้าใจทุกเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับว่ามีศัตรูเข้ามาเผาเข้ามาทําลายเมืองแล้วศัตรูเข้ามาได้อย่างไรนะถ้าหากว่ากําแพงเมืองแน่นหนาทหารยามนะเข้มแข็งทหารยามเนี่ยสําหรับจิตนครคืออะไรก็คือสตินะสตินี่พระเจ้าเปรียบเหมือนกับทหารยามหรือว่า ยามเฝ้าประตูเรียก ว, ว่าทวาราบาลจิตที่ศึกษาจิตที่รักษาดีแล้วเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับบ้านนะที่มุงหลังคาไว้อย่างดีแข็งแรงนะไอ้ความทุกขมันก็ไม่สามารถจรั่วรั่วรัมีาได้นะถ้ากำถ้าหลังคาดีดีเนี่ยคนมักจะไปโทษฝนนะแต่ไม่ได้ดูว่า เป็นเพราะหลังคาของเราเนี่ยมันไม่ได้ซ่อมแซมเป็นเพราะหลังคางเราถูกลบถูกปล่อยทิ้งให้รั่วซึงเวลาเมืองถูกเผาก็ไปโทษศัตรูแต่ไม่ได้มองว่าเป็นเพราะไม่มีการป้องกันเมืองให้แน่นหนาอย่าว่าแต่อ เ, เลยเนี่ยนะเวลามีหลุมนะมีหลุมลึกเวลามีหลุมแล้วเรามือล่วงเข้าไปในหลุมเนี่ยหลวงพชาบอกเนี่ย ร้อยทองร้อยเลยนะถ้ามือล้วงเข้าไปแล้วไม่ถึงก้นหลุมนะมักจะโทษว่าเป็นเพราะหลุมลึกไม่มีใครที่จะบอกว่าเป็นเพราะแขนตัวมันสั้นโทษแต่ว่าหลุมลึกนะแต่ไม่ได้ไม่ได้ดูแขนตัวว่าเป็นเพราะแขนเราสั้นหรือเปล่านีในความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะมันก็เพราะใจของเราเนี่ยนะใจที่ไม่มีการดูแลรักษาใจที่ไม่ได้มีการฝึกฝนพัฒนาปรับปรุง แต่ที่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะไม่หมั่นดูใจของตัวงั้ถ้าเราภาวนานี่ยน ะ, จะเจริญสติเราจะเห็นเลยโอ้ไอ้ที่ทุกข์เนี่ยเป็นเพราะใจเราแท้ๆเหตุการณ์ผ่านไปเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีแล้วก็ยังเก็บเอามาคิดยังไม่ปล่อยไม่วางสักทีอนาคตยังไม่เกิดนะแต่ก็ปรุงแต่งสารพัดแต่แล้วก็วิตกนะวิตกกังวลไปเอง มีคนก็พูดดีนะความโกรธเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเราเอาความผิดของคนอื่นมาทําร้ายตัวเองความโกรธคือการเอาความผิดของคนอื่นมาทําร้ายตัวเองนะที่จริงคนเราทะลักตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ควรทําร้ายตัวเองเนี่ยแต่แรกแต่นี่ยังเอาเอาความผิดของคนอื่นมาทําร้ายตัวเองลองสังเกตได้ว่าเราโกรธเนี่ย เรโกรธใครก็ตามเนี่ยเรากำลังเอาความผิดของเขาเนี่ยมากรีดมาแทงจิตใ จ, จตัวเองอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นคนรักตัวเองหรือเปล่าล ก, ก็ยังเฝ้านะกรีดแทงจิตใ จ, จตัวเองด้วยการเอาความผิดของเขาความไม่ดีของเขามาในคนเราเนี่ยนะถ้าเรารักตัวเองแล้วก็ต้องคิดแต่จะดูแลบมรุงจิตใ จ, จตัวเองให้ดี ก็นึกถึงสิ่งที่ดีงามการนึกถึงสิ่งที่ดีงามเนี่ยนะมันก็ทำให้จิตใจผ่องใสนึกถึงสิ่งที่ดีงามเนี่ยหมายความว่านึกถึงนะสิ่งที่เป็นกุศลนึกถึงการทำความดีมันมีความพูดว่าบวกนะย่อมดึงดูดบวกลบย่อมดึงดูดลบแล้วก็มีความมีการตีความหรืออธิบายไปว่าเนี่ยหมายเขาว่า ให้เรานึกถึงอถ้าเรานึกถึงเงินทองเดี๋ยวเงินทองก็จะมาหาถ้าเรานึกถึงความสําเร็จความสําร็จก็จะมาหาเนี่ยถ้าเรานึกถึงความตายเดี๋ยวความตายก็จะเกิดขึ้นกับตัวเพราะฉะนั้นอย่าไปนึกอย่าไปนึกถึงอย่าไปเจริญร้อนนักสติมากเจริญร้อนสติมากเดี๋ยวตัวเองจะจะตายเร็วนี่นี้ก็เป็นความเชื่อนะแต่ที่จริงเนี่ยนะ ลบดึงดูดลบเนี่ยนะมันมีความหมายว่าถ้าเราคิดในทางที่แย่นะมันก็จะเกิดทุกข์กับเราเองเช่นถ้าเราเป็นคนที่ขี้โกรธนะมักโกรธเนี่ยเราก็จะมีโรคนานาชนิดนะเช่นโรคหัวใจมีคน ม, มีมีงานวิ จ, จัยเมื่อปีที่แล้วก็บอกว่าเนี่ยคนที่โกรธอย่างรุนแรงเนี่ยมีโอกาสที่จะ หัวใจวายภายในสองชั่วโมงเนี่ยมากเป็นแปดหรือเก้าเท่าของคนที่ไม่โกรธนะถ้าโกรธนี่นะมีโอกาสที่จะหัวใจวายเนี่ยภายในสองชั่วโมงเนี่ยโอกาสนั้นมากเป็นโอกาสนั้นเนี่ยเก้าหรือแปดเท่านะของคนที่ไม่โกรธโอ้มันเร็วมากเลยหรือว่าคนที่รู้สึกลบนะมีความรู้สึกลบตอบ ความแก่นีมีความสุดต่อความแก่ใช่อว่าคนแก่เป็นพวกที่เรียนรู้ช้าเป็นพวกที่ขี้ลืมขี้หลงขี้ลืมเนี่ยอันนี้เขาวิจัยยาวเลยนะถามคนที่อายุ40เนี่ยคิดถึงความคิดถึงคนแก่คิดถึงความแก่อย่างไรบอกว่าคนแก่นี่ขี้หลงขี้ลืมเป็นพวกที่เรียนรู้ช้าล้าหลัง เขาพบว่า25ปีต่อมาเนี่ยมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์สูงมากเลยเขาตามไปถึง25ปีต่อมาเลยนะอันนี้เป็นงานวิจัยที่เพิ่งประกาศเมื่อปีที่แล้วหรือต้นปีเนี่ยเพราะว่าคนที่มีความคนที่มีอคตริรู้สูรสลดตอบคนแก่หรือความแก่เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์สูงกว่าคนที่เขามีความรู้สึกบวกต่อความแก่เขาดูจากอะไรเขาดูจากสมองส่วนที่เกี่ยวความจํา ฮิปโปแคมปัสเนี่ยบอกว่าคนที่มีความสุขลบต่อความแก่เนี่ยเนื้อสมองส่วนนี้มันจะเล็กลงแล้วก็มีริมเลือดสูงซึ่งเป็นตัวชี้วัดของความเป็นอัลไซเมอร์อันนี้เป็นงานวิจัยที่เขาทำแบ่งเป็นศึกษาไปวิทยาศาสตร์มากนะมันก็ชี้เลยนะว่าลบนี่ดึงดูดลบนะถ้าคิดลบมเนี่ยมันก็ทำให้เจ็บป่วยง่าย แล้วก็พบด้วยเหมือนกันว่าคนที่คิดลบต่อความแก่เนี่ยมีโอกาสาเป็นโรคหัวใจสูงในเวลา40ปีต่อมาก็าสาวยาวไปไกลเลยนะเช่นตอนนี้ยุ่ยอยาอายุ20เนี่ยนะถ้ามีความสูรลบต่อความแก่เนี่ย40ปีข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสาเป็นโรคหัวใจมากอันนี้เขารู้มาหลายปีแล้วแต่พขาเพิ่ค้คนพบว่ามีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์สูงเหมือนกันอันนี้แหละที่เราวรลบเนี่ยดึงดูดลบนะ หรือคนที่คิดมองอะไรเป็นลบเนี่ยนะมันก็เจอแต่เจอแต่เรื่องลบนะคนที่มองอะไรลบเนี่ยก็เจอแต่เรื่องลบอพระภาชชนสรานนทนะ์แกเคยเล่าเนะี่ยพระาพาชนสรานนทนะ์แกก็เป็นนะเป็นเป็นคนสําคัญของ work point, นะ์กพอยต์เวิร์กพนี้พวกเราคงจะรู้จักเขาเคยสัมภาษณ์ผู้หญิงสองคนในเวลาไล่เรียกกันอายุก็ใกล้ๆ ก, ก, กันพนะระาพาเขาก็ถามถาม คนแรกนะว่าทำไมถึงออกจากงานเก่าช่วยเล่าที่ทำงานเก่าให้ฟังหน่อยสิเธอก็บอกที่ทางานเก่าเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเ<ม>จ้านายก็ไม่เป็นธรรมเชื่อฟังแต่ลูกน้องที่ประจบประแจงคนทำงานก็ไม่ค่อยทำงานเอาแต่นินทากันแทงกันข้างหลัง<ม>ขัดแข้งขัดขากัน ต่อหลังก็ไปสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งนายช่วยเล่าที่ทํางานเก่าให้ฟังหน่อยสิเธอก็บอกว่าที่ทํางานเก่านี้ดีมากเลยนะเจ้านายก็เออเฟื้อเผือแพ่มีความเป็นพี่เป็นน้องอ่ามีความเหมือนกับอยู่เป็นครอบครัวคนทํางานก็เป็นพี่เป็นน้องกันเออเฟื้อกันนช่วยเหลือกันอ่าถ้ามันดีงั้นทําไมออกมาล่ะเขาก็บอกว่า เพราะว่าที่ทํางานเก่เาก็เปลี่ยนเปลี่ยนแนวเปลี่ยนจุดเน้นซึ่งเขาไม่ถนัดเขาก็เลยคิดว่าออกมาดีกว่าไปหาไปทํางานที่ถนัดกับความสามารถของตัวดีกว่าไอ้ที่มันน่าสนใจคือว่าทั้งสองคนเนี่ยมาจากที่ทํางานเดียวกัน <c oughs> และประเพอมาจากแผนกเดียวกันด้วยนะ <c oughs> แต่ดูมันคนละเรื่องเลยนะมันสะท้อนอะพราะว่า ถ้าเราคิดลบมันก็เจอแต่เจอแต่คนหรือเจอแต่เหตุการณ์ลบถ้าคิดบวกมันก็เจอแต่สิ่งที่เป็นบวกนะคนที่คิดลบเนี่ยเขาก็จะจดจ้องแต่สิ่งที่มันเป็นลบนะแล้วก็จดจำไอ้สิ่งที่เป็นบวกก็ไม่เห็นไม่สนใจมองข้ามไปส่วนคนที่คิดบวกเนี่ยเขาก็จะเห็นแต่สิ่งดีๆเห็นเห็นเจ้านายเขาเออมีความเป็นครอบครัวเห็นคนทางานเป็นพี่เป็นน้องกัน ไอ้ส่วนที่ไม่ดีเขาก็ไม่มองไม่สนใจหรือถือเป็นเรื่องเล็กน้อยนะไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ตรงข้ามคนที่คิดลบเนี่ยความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นะเขาก็เลยมองเขาก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเจอแต่สิ่งแย่ๆนะอันนี้เรียกว่าลบเจอลบนะบวกเจอบวกแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความคิดลบเดี๋ยวมันเป็นเรื่องของการกระทําด้วยนะ ถ้าเราทำดีก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีถ้าเราทำชั่วก็เจอสิ่งที่ชั่วอย่างที่มีสำนวณว่าเนี่ยให้ทุกแก่เขาทุกน้าถึงตัวอันนี้แหละนะถ้าเราทำลบเนี่ยมันก็เจอลบเนี่ยแต่ไม่ใช่ลบจากอะไรนะัมันลบจากการกระทำของตัวเองนั่ น, นแหละแล้เพราะนั้นเนี่ยนะชีวิตของเราเนี่ยนะจะสุขหรือทุกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ใจเรามากเลย อยู่ที่ความคิดความรู้สึกซึ่งนำไปสู่การกระทำนำไปสู่การครบค น, เ, นเราคิดลบก็อาจจะอาจจะได้เจอแต่เพื่อนที่คิดลบเหมือนกันแล้วถ้าเจอแต่เพื่อนคิดลบเนี่ยมันก็เท่ากับส่งเสริมทำให้จิตใจเราแย่ลงไอ้ผู้เจ้าจึงบอกเนี่ยการครบคนเนี่ยสำคัญมากมงคเราสว ท, ที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยการไม่ครบคนพาลการ ค, ร บ, ครบบัณฑิตเนี่ย อันนี้เป็นสองมุงคนสองข้อแรกเลยนะถ้าเราครบคนไม่เป็นคบคนชั่วเนะี่ยมันก็จะเกิดแต่สิ่งผลร้ายตามมานะที่คบคนชั่วตัวพอใจเนี่ยนะมันคิดไปในทางร้ายในทางลบนะมันก็เลยคบคนอย่างนั้นหรือว่าดึงดูดคนเหล่านั้นเข้ามาหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานะต้องการที่จะมีชีวิตที่พาสุก นะเราก็ต้องนะรู้จักใส่ใจกับนะจิตใจของตัวแลนะถ้าเราเห็นว่าการพ้นทุกข์มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะเราก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องการภาวนามากๆเพื่อปรับจิตปรับใจของเราเนี่ยใ ห, ให้มั่นคงถ้าเป็นเมืองก็เป็นเมืองที่มีกำแพงแน่นหนาะมีประตูนะที่ทหารเฝ้าอย่างกวดขัน และทหารนั่นคือสตินั่นแหละสร้างสติให้มันคงเข้มแข็งจิตใจเราก็จะอะปลอดภัยนจากความทุกข์แล้วก็สตินี่แหละที่นําไปสู่ปัญญาและปัญญาเนี่ยพัฒนาถึงขั้นเนี่ยมันก็ทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะเห็นว่าอเป็นเพราะความยึดติดถือมัน่นเป็นเพราะมีอวิชชาเนี่ยจึงทําให้เป็นทุกข์อวิชชาหมด ตอนเอาประทานถูกล่าไปนะความทุกข์ก็หาย้วความสงบเย็นก็มาแทนที่แม้ยังต้องแก่แม้ยังต้องเจ็บนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์แล่วสุดท้ายเนี่ยถึงแม้ตายนะนะมันก็ไม่มีใครตายนะมีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตายนะเพราะว่าละวางความยึดมั่นในตัวต น, นไม่มีตัวกูแล้วเนี่ยมันก็มีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตาย อันนี้เป็นศิละปะนะที่ลึกซึ้งมากนะซึ่งถ้าเราสามารถเข้าถึงได้เนี่ยด้วยปัญญาด้วยการประเพ็ญเพียรเนี่ยความตายก็ไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์อีกต่อไปเอาละคืนนี้ก็พูดกันเท่านี้กล่าภาพคุนกัน